บรรพชาอุปสมบทในปีรุ่งขึ้นคือพุทธศักราช2469น้าชายสองคนจะบวชเป็นพระภิกษุที่วัดเทวะสังคารามพระชนนีและป้าจึงชักชวนเจ้าระคุณสมเด็จซึ่งขณะนั้นพระชนมายุย่าง1 4พรรษาให้บวชเป็นสั ม, มนเนนแก้บน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 เมื่อเข้าไปทำอุปชาวัดในตอนค่ามีการบีบนวดเป็นต้นหลวงพ่อก็จะอ่านเทศให้ฟังคืนละตอนแล้วท่องจาตามคำอ่านของท่านทำต่อเนื่องกันไปทุกคืนจนจําได้ทั้งกันกันเทศที่หลวงพ่อต่อให้คือเรื่องอริยทรัพย์เจ็ดประการเมื่อทรงจาได้คล่องแล้วหลวงพ่อก็ให้ขึ้นเทศปากเปล่าให้ญาติโยมฟัง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 เอามาเป็นเยี่ยงอย่างในการพัฒนาพระองค์เอง